อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริชของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคข้านาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทัขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลบุคลคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทัศขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็กำเนิดสองร้อย อนุโลปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั nah, ้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทะขศนาแหง่งจิต ท, ที่วิทยุทธจากอากุศลบุคคลผู้เข้าหนีโรดสมาบัตดและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทัศนาแหง่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กําลังเกิด อนุโลมโอกาส20ร้อยอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมละอนุลมปุกคโลกาดส2งรอนุโลม์ปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิดใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพังคขณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทาณาแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศล สภาวธรรมที huh ่เ sì, ป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลใดในภูมิใดายกำลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของผู้คลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังฆาณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทฆาณาแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศล บุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอภัยกฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดสองอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุค้คลใดในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุ้คล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของผู้คลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังค์ขณะแห่งจิตของบุ้คลทั้งหมด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 อกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาะเคยดับปฏิรลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิจัชนาะไม่มีปัจจณีกะโอกาส2 0งรอนุโลมปุชชา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 ในพังขคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิทยุทธจากกุศลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตมีใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด และสภาวธรรมที่อัพยากฤิตก็ไม่เคยดับปฏิรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่208ออนุโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาบธรรมที่เป็นอัพยากฤต ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาะในพังคักนแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัณะแห่งจิตที่วิยทยุจากอากุศลบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาจัต ภ, ภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ 5. ปัจจุปปนานาฆตาบาน อนุรลมบุคคลสองอนุรลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จัดดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขคณะแห่งอรหัตธรรคบุคคลจักได้อรหัตมรรมในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จัก ด, ดับ ในอุปาทขศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธารรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังค์ขั้แห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิประยุจจากกุศล บุคคลผู้เข้าหนุโรดสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู no ção, ่ในอสัญญัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขคณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุ้คล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุ้คลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังคข้าคณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณาแห่งจิตที่วิปทยุจักกุศลบุคคลผู้เข้านิโรษสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิด210อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้น ก, นก็จักดับใช่ไหม วิจัดชนาะใช่ปฏิรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในพังข้ณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอากุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญาสัตตภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่าน well, ั้นจักดับ e. และสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาส2อ1รอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมละอนุโลมปุกคโรกาตสองอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทันาแห่งอรหัตามัคบุคคลจักได้อรหัตามัคในลำดับแห่งจิตใด ในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับในอุปาทขศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคละขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทละขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ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 วิจ well, ัชนาในพังคขศนาแห่งจ mm. ิตของบุคคลทั mm. ้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุทธจากกุศลบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ และสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิด2อ3อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของผุคล น, นั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ สภาวธรรมที่เป็นอากุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจนาะในพังคัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทาขศนาแห่งจิตที่วิปทยุจากอากุศลบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอภัยกฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอากุศล สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กําลังเกิดปัจจนีกับบุคคล2องรอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังข้าขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขขณะแห่งจิตที่วิปบยุจจากกุศล บุคคลผู้เข้าในโรตสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ใน อ, อสัญญสัตต ภ, ภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลมิใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งอารัตมักอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อารัตมักในลำดับแห่งจิตใดในพังฆาณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในไม่ใช่กำลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจชนาในอุปาทัคณะแห่งอรหัตมัคบุคคลจกได้อรหัตมัคในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับ แต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์ฆาณาแห่งอาราตมักอาราหันตะบุคคลบุคคลจะไดอาราธมักในลำดับแห่งจิตใดในพังค์ฆณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับและสภาวะที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัชนาะในพังข้าขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรตมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอัจฉริยะตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตมีใช่จากไม่ดับในพังข้าขณะแห่งปัจจิมจิต สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่2องอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นอัิยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาะในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทาขณะแห่งจิตที่วิประยุจากอากุศลบุคคลผู้เข้าหนีโรตมาบัตได้บุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตไม่ใช่จักไม่ดับในพังคะขณะแห่งปัฏิมจิต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 นอุปาทขคณะแห่งจิตที่วิทยุตจากกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จากไม่ดับในพังคขณะแห่งอรหัตมัคอรหันตบุคคลบุคคลจากได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใจในพังคขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัอยู่ในอสัญญัจตภูมิ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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลมิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งอาราตมักอรหันต์บุคคลบุคคลจกได้อาราตมักในลำดับแห่งจิตใจในพังคข้าณาแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บาดอยู่ในอาจารย์ตาตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ และสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจติชนาะในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้บัดอยู่ในอาจาญย์จต ภ, ภูมิ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 สภาวธรรมที unes, ่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่สองอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังค์ขั้แห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาขั้นนแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศล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 วิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอราตมักและอรหันตบุคคลบุคคลจักไดอราตมักในลำดับแห่งจิตใจในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น zusammen zusammen zusammen zusammen zusammen สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิตัชชาในพังคขคนาแห่งปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคค ล, ลนั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตก็จักดับปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจชราใช่2ออนุโลมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตกับบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังข้ณะแห่งปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็จักดับปฏิโรมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนะใช่อนุโลมโอกาส221อนุโลมปุตชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมละอนุโลมปุคโลกาส222อนุโลมปุตชา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรักและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในมืเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับ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 ของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุท่าวาดภูมิเป็นไปอยู่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต <off approach> um, <off> ่สภาวะธรรมที <off> ่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะดิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมพิจัดชนาะในพังคข้าคณาแห่งบัตชิม จ, จิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัตยู่ใน จ, จ, จตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดได้สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตกับบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจติชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุธาวาาภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญัสตภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตรบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตรบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิด2องอยยีมอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด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 และสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจฉนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาจตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ แต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตยู่ในจตุโวกา ร, รภูมิและปัญจวโวกา ร, รภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัิยากฤิตระมุคค ล, ลนั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยเกิดปัจจณีกับบุคคล2องอนุโลมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมพิจารนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจารนาเคยเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลใดไม่เคยเกิด สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤติตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิมจัดชนาเคยเกิด2องอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิด สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุตลของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเคยเกิดปัจจณีก็โอกาส226ออนุโลมปุจฉาสภาวธรรม ที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมละปัจจญีกับปุคโลกาฏสองรอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคล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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจารนาะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยรหัตตะมักและอรหันตะบุคคลบุคคลจักไดอรราตะมักในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลมิใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญาจตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นนพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมพนะิจาชนาจักดับปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาเคยเกิด228อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมพิจัชนาจักดับปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตของผุ้คลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดอุ ป, ปาธนิโรธวานจบปวัตติวานจบ 3. ภาวนาวานสองร้อยอนุโลมปุจฉา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 บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโรมชชปุจชาบุคคลใดไม่ใช่กําลังละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมพิจัชนาใช่ละภาวนาวานจบธรรมยมกจบ